ตกใจแล้วก็กังวงลเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนั้นภูเทวดาก็ประชุมกันบอกว่าทำอย่างไรที่พวกเราทำให้สถานที่เป็นสถานที่ไม่นายุสำหรับปรากฏนี้ได้ทำให้เปลี่ยนใจย้ายไปจากทีน่นี้เทวดาก็ใจอุบายอุบายอย่างไร เมื่อถึงกลางคืนเขาทำให้เสียงร้องเสียงไม่น่าพอใจเสียงที่มีการตะเลาะกันทำให้แบบรบกวนการปฏิบัติกองพระเทวดาบางกงเปลอมตัวมามันแบบแบบหน้าตาก็มันแปลกประหลาดมัอนอมนุษย์แสดงให้เห็นกับพระ เวลาพระเดินจงกรมอยู่ก็ข้างๆอนมนุษย์ตัวหนึ่งมันแบบยืนอยู่บางวันก็ทุกที่กลิ่นเหม็นแบบมันแบบมีอะไรสกรปรกแบบนี้โอ้แบบปัญญาขาดทั้งหมดก็กลายเป็นว่ามันน่ากลัวพระไทละรูป ก, ก็ได้เห็นแต่ก็ไม่ได้บอกกับพระรูปอื่นๆ กลัวว่าเดี๋ยวจะทันข้างวนและก็ปฏิบัติไม่ได้สงสารผู้อื่นก็เลยก็แบบอดทนอยู่แต่ความจริงก็ทีละรูปทีละรูปทีละรูปก็ได้ประสบการณ์เหมือนกันแต่ไม่อยากบอกกับผู้อื่นกลัวว่าเดี๋ยวจะรบกวนการนั่งสมาธิกงพระรูปอื่นทุกรูปก็ขีดแบบนี้แต่ความจริงก็ ปสสประการของทุกรูปก็คข้เขียนกันแต่ไม่ข้าพูดกังเกินก็นอนไม่หลับอาหารก็ฉันไม่ลงโอปัญหนายเยอะแยะตอนนี้ก็เขาปั่นสายแล้วสักพักหนึ่งก็ทุกรูปก็ดูสังเกตว่ามุขนาพระปิกสุโสรแบบนาตาก็ไม่เบิดบานดูท่าทางไม่มีความสุข ตัวท่านก็สุขผอมดูแบบเครียดสุตาย น, นี่ก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเราประชุมกันก็เลยกระพระรูปหนึ่งพระเทระบอกว่าเรามีเรื่องจะเราให้ฟังกับท่านตอนแรกก็ตั้งใจว่าไม่ไม่พูดแต่สุตาย น, นีก็รู้สึกว่ามันควรควรพูดควรเราให้ฟัง ก็เลยก็บอกว่าพวกท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่เราเห็นสถานที่นี้เป็นสถานที่ของอมนุษย์น่ากลัวมากรูปที่สองรูปที่สามก็บอกว่าเหมือนกันเราก็ได้เห็นได้ฟังดูไปดูมาก็ถูกครูแบบมีประสบการณ์อันเดียวกันก็เลยก็ได้เข้าใจว่าสถานที่นี้เป็นที่ของอมนุษย์ ผู้เก่าก็เข้าใจปิดแล้วก็ตัดสินยูทีนี้ตลอดสามเดือนตอนนี้กลับไปก็ไม่ได้ก็เลยก็ตลอดสามเดือนอดทนอยู่นางสมาธิก็ไม่ได้เดินชงกงก็ไม่ได้จันปัตต า, าก็ไม่ได้นอนไม่หลับด้วยสุดท้ายนี้ก็ถึงอกผันซาแล้วพระกลุ่มนี้ เดินทางไปกลับกำลังจะเข้าไปเฝ้าพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทศาสดาก็สงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรแต่ก็มีความประสงค์จะฟังจากพระภิกษุสงฆ์ก็เลยก็ถามว่าหรือว่ามันค่อยสบายเท่าไรแต่ก็ถามว่าเป็นยังไงสบายดีหรืออยู่พออยู่ได้ไหม บินดาบาก็ไม่ลำบากพระเทระในกลุ่มนั้นก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสถานที่เราอยู่จำปัญสาเป็นที่ของอมนุษย์กราบถูนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าดูโกนภิกษุทั้งหลายที่นั้นไม่ใช่ที่ของอมนุษย์ ที่นั้นเป็นสตานที่องเทวดาเทวดาหลายต้นสติวิมานในบนต้นหมาอยู่แต่โดยเด็ดอนุภาพของสี่งทางท้งหลายเทวดาก็อยู่บนวิมานไม่ได้ก็ลยก็อก็กังวลว่าไม่ไหว อยู่แบบห่างจากวิมาณ น, น, นานๆมันสามเดือนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่ฝีมือของอมนุษย์เป็นฝีมือของเทวดา